วิสุทธิมรรคนี้มีอยู่สามภาคด้วยกันภาคที่หนึ่งว่าด้วยศีลนิเทศภาคที่สองสมาธินิเทศแล้วก็ภาคที่สามนั้นปัญญานิเทศประสงค์อธิบายศีล ส, สมาธิและปัญญาทีนี้ในเรื่องของศีลสมาธิปัญญานั้นที่คำพีวิสุทธิมรรคกล่าวถึงนั้นเป็นคำพีที่ อธิบายตามพระพุทธพจน์ะนะซึ่งพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสกับเทวดาหรือที่เรียกว่าตอบปัญหาของเทวดาว่าศีเลปฏิทายะนโรสปัญโยจิตตังปัญญัจะพาวายังอาตาปีนิพโกพิคุโสอิมังวิชตะเยชะตังเนะนะี่ยศีลแล้วเจริญจิตและปัญญาอยู่เป็นผู้มีความเพียร มีความฉลาดเป็นภิกษุเขาจะพึงฐานชัดนี้ได้เนี่ยนะที่จริงก็พระพุทธพจน์จากแห่งเดียวกันแต่ก็หลายอาจารย์แปลเพราะฉะนั้นโดยพยัญชนะก็แตกต่างกันบ้างแต่โดยอัฐะแล้วไม่มีความแตกต่างกันคำพีทั่วทั่วไปที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยนะจะ ก, กล่าวถึงการโนบนอมพระตนะตรัยก่อนใช่ไหม คมภีทั่วไปอย่างเช่นในสมันตะปาสาธิกาในในอัตถกถาพระวินัยนั้นท่านขึ้นต้นคัมภีนั้นจะมีการนอบน้อมพระรัตนตรยัยเนี่ยนะแต่คัมภีนี้คือคัมภีวิสุทธิมรักเนี่ยยกย่องพระพุทธพจน์ที่จะขยายเป็นหลักอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นการนอบน้อมอีกวิธีหนึ่งในบรรดาการนอบน้อมทั้งหลายเนี่ยนะ ซึ่งการนอบน้อมนั้นมีทางกายทางวาจาและทางทางใจทีนี้ในทางวาจานี้ก็มีหลายอย่างนอบน้อมด้วยการกล่าวคํานอบน้อมออกมา อ, อย่างเช่นในสมันตปาสาธิการนี้ท่านบอกว่าข้าพเจ้าขอถวายนมัสการแดร่พระผู้เป็นที่พึ่งเนี่ยนะพระโลกนาฏเนี่ยโลกนาฏไม่แปลว่าผู้เป็นที่พึ่งผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาพระองค์ ผู้ทรงกระทํากรรมที่ทําได้ยากยิ่งตลอดการซึ่งประมาณซึ่งจะนับประมาณไม่ได้แม้ด้วยหลายโกรธกัดทรงถึงความยากลําบากเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกเนี่ยนะก็คือยกย่องด้วยการนอบน้อมพระัตนะไตรแล้วก็อธิบายถึงพระมหาการุณาที่คุณของพระองค์เนี่ยนะคือพระวินัยนี้เน้นพระกรุณากับพระปัญญา เพราะถ้าหากว่าไม่อาศัยพระมหากรุณาแล้วพระผู้มีพระภาคจะไม่ทรงบัญญัติพระวินัยเลยอันท่านก็เลยนอบน้อมพระพุทธคุณโดยยกพระกรุณาคุณเป็นเป็นหลักอันนะเรียก ว, ว่าข้าพเจ้าขอถวายนามัสการแด่พระธรรมอันประเสริฐอันขจัดเสียซึ่งขายคือกิเลสมียวิชาเป็นต้นที่พระพุทธเจ้าทรงส่องเสพอยู่เป็นนิดซึ่งสัตวโลกเมื่อไม่อย่างรู้ต้อ ง, อ ง, องท่องเที่ยว ไปสู่พบน้อยและพบใหญ่ข้าพเจ้าขอถวายนมัสการด้วยเสียงกล้าวซึ่งพระอริยสงฆ์ผู้ประกอบด้วยคุณมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะเป็นข้ามูลเป็นเนื้อนาบุญของเหล่าชนผู้มีความต้องการด้วยกุศล น, น, นะในคำพีอื่นๆที่พระพุทธโคสาจารย์ท่านเรียบเรียงขึ้นนั้นท่านจะมีการนอบน้อมพระรัตนตรัยในลักษณะนี้ก่อน ส่วนในวิสุทธิมัติไม่ได้กล่าวคํานอบน้อมในลักษณะนั้นแต่กล่าวถึงพระพุทธพจน์ที่จะขยายอธิบายคำภีร์ไปเลยก็ชื่อว่าเป็นการนอบน้อมอย่างหนึ่งเหมือนกันทีนี้ในคมภีร์วิสุทธิมัติท่านก็ขยายถามต่อไปว่าก็คํานี้เนี่ยนะคำนี้ก็คือพระพุทธพจน์ทั้งหมดเนี่ยที่เป็นภาถาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดังนี้เนี่ย ก็เพราะเหตุไรเล่าจึงได้ตรัสเอาไว้นะถามว่าทําไมพระองค์จึงตรัสพระคาถาเหล่านี้ใช่ไหมเมื่อวานเราฟังแล้วใช่ไหมพอเมื่อวานเราฟังแล้วเราก็รู้ได้ว่าคาถาเหล่านี้เกิดจากเทวดาถามเนี่ยนะคือดังได้ฟังมาว่าเทพบุตรตนใดตนหนึ่งก็คือเป็นเทพบุตรที่ไม่มีชื่อนั่นเองไม่ปรากฏชื่อเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า นนะซึ่งประทับอยู่ใกล้เมืองสาวัตถีในตอนกลางคืนแล้วทูลถามปัญหานี้เพื่อถอนความสงสัยของตนว่าเห็นนวนเมื่อวานใช้คำว่าหมูสัตว์เนี่ยรกชัดทั้งภายในรกชัดทั้งภายนอกอ น, นะถูกรกชัดหุ่มห่อแล้วข้าแต่พระโคดมเพราะฉะนั้นข้าพระเจ้าขอถามพระองค์ว่าใครจะพึงถางชัดนี้ได้ อันนี้เป็นสำนวนในพระไตรปิฎกของเราที่เราคูนกันก็บอกว่าชัติทั้งภายในชัติทั้งภายนอกหมู่ประชาเนี่ยถูกชัตเกาะเกี่ยวไว้ค่าแต่พระโคตมะเพราะเหตุนั้นข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ว่าใครเล่าจะพึงฐานชัตินี้ได้ทีนี้ต่อไปนี้เป็นความหมายโดยย่อคาว่าสังเขกก็คือโดยย่อแห่งปัญหานั้นกค็คือเรียกว่า ต้องอธิบายปัญหาอีกครั้งหนึ่งกันนะจำนวนเราถามแล้วยังไม่รู้ว่าถามว่าอะไรนะต้องอธิบายคําถามอีกครั้งหนึ่งงานซึ่งท่านอธิบายคําถามว่าคําว่ารกชัดเนี่ยนะเป็นของรกนี้เป็นชื่อของตันหาซึ่งมีขายชาลินีเนี่ยนะชาลินีเนี่ยแปลว่าข่ายนั่นนะชาลินิยาวางั้น จึิงอยู่ตันหานั้นเพราะเกิดขึ้นแล้วแล้วเล่าๆในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้นโดยเกี่ยวกับเป็นไปในเบื้องต่ำและเบื้องสูงจึงชื่อว่าชัดเพราะอาจว่าเป็นดุดชัดกล่าวคือขายแห่งกิ่งก้านของต้นไม้มีกอไผ่เป็นต้นโดยความหมายว่าประสานกันไว้จากที่กล่าวว่า คำว่ารกชัดเนี่ยนะที่ว่ า, าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยชัดทั้งภายในชัดทั้งภายนอกคำว่าชัดคำว่ารกชัดในที่นี้เป็นชื่อของตันหาซึ่งเกิดบ่อยมากอ่ะนะเกิดบ่อยก็เลยเหมือนกับของรกของชัดนยมันเกิดมากเท่าน้ำฝนหรือเปล่านะตกพรึบๆเลยนะเหมือนฝนตกหรือเปล่านะก็ต้องแหวกเอาอ่ะนะหรือว่าเกิดถ้าพูดเหมือนกับคนที่ถางป่าบ่อยๆเนี่ยจะเห็นว่าป่าที่รกชัดเนี่ย ป่าที่รสชัตเหมือนกับโคนไผ่เนี่ยนะโคนไผ่น้ําบางชนิดเนี่ยก็ค่อยตัดออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยนะ ค, ยค่อยตัดออกมาไม่ได้ถางตัดโคนแล้วค่อยดึงออกมาตัดโคนแล้วดึงไม่ใช่อย่างนั้นนะค่อยๆถางแล้วเอาออกเป็นกิ่งเป็นกิ่งเป็นกิ่ ง, เ, งเพราะมันเกี่ยวมันประสานมันร้อยรัดกันไว้ในลักษณะนั้นตันหาที่เกิดบ่อยในอารมณ์ต่างๆก็ก็ลักษณะนั้นเหมือนกันแสดงถึง uh, so ภูมิธรรมของของผู้ถามนะ ถ, ถึงเทวดาตนนี้เนี่นะแสดงว่าในสมัยพุทธกาลนั้นนี่นะเขาเห็นโทษของปัญหากันเขาเห็นกันอยู่พื้นทีเดียวเข้าใจว่างั้นนะครับแล้วก็เทวดานี่ก็จะต้องมีมีมีความเห็นว่าปัญหานี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะ แต่งคงจะหาทางออกไม่ได้ใช่ไหมครับ <จน S 2> เพราะรว่าพระพุทธพาดไม่อุบัติขึ้นนี้นะฮะเพราะว่าสมัยนั้นนี่คงจะมีคนไม่น้อยทีเดียวที่มองเห็นอยู่ว่าทุกทั้งหลายมันเกิดมาจากตัณหาเจนพรใช่เพราะตัณหานี้มันเป็นสมุทัยสัตว์นะนะเป็นต้นต่อแห่งสังสารทุกทั้งหมดทีนี้ถ้าหากว่าผู้ที่เข้าใจเรื่องตัณหาคนนั้นจะต้องเข้าใจเรื่องของปิยรูปสาตรูป <c oughs> ถามว่าตันหาเกิดที่ไหนอะไรเป็นที่รักที่ชอบใจนะตันหาถ้าจะเกิดเกิดที่นั่นตันหาอนุสัยก็เหมือนกันนะตันหาอนุสัยเนี่ยนะอนุสัยคือตันหานเนี่ยนอนเนื่องที่ไหนนอนเนื่องที่ปิยรูปสาตารูปก็บอกว่าอะไรเป็นที่รักที่ชอบใจเนี่ย โลภะหรือตัณหาก็เกิดเกิดที่นั่นทีนี้เราก็ถามว่าอะไรมั่งไม่เป็นปียรูปสาตรูปของเราอะไรบ้างไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราอ่ะเว้นสิ่งนั้นเสียสิ่งที่เหลือเป็นอา ร, รมณปัจจัยของตัณหาทั้งหมดเลยอปิยรูปอสัตรูปเป็นที่นอนเนื่องของปฏิคานุใสอะไรที่ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจขอให้รู้เถอว่าตรงนั้นแหละเป็นอารมณ์ของโทสะ น, นะนะปฏิคาอนุสัยก็จะเกิดในลักษณะนั้นมันมันไม่ได้แช่อยู่ในตะกรอนอะไรนะไอไออนุใสเนี่ยนะเพราะคําว่าอนุสัยนั้นเป็นชื่อของกิเลสที่มีกําลังเพราะอาจว่ายัางละไม่ได้ถ้าได้ปัจจัยเกิดทันทีเลยนะถ้าเช่นเห็นอารมณ์อันเป็นที่รักที่ชอบใจปั๊บโลภะเกิดทันทีเลยเห็นอารมณ์ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจเนี่ยนะอะปิรูปอาสาตรูปโทสะเกิดทันทีเลย ธรรมะที่เป็นไปในภูมิสามเป็นอารมณ์ของอวิชานุใสเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจิตเจตสิกรูปนามขันห้าทั้งหมดที่เป็นไปในภูมิสามเป็นอารัมมณปัจจัยของตัณหาอนุใสได้หมดนะเลยไออวิชานุสัสเพราะฉะนั้นมันไม่ได้นอนอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะอนุใสเนี่ย น, นะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะสังเกตว่าตัณหาจะเ ก, เกิดเกิดเมื่อไหร่นะ นึกถึงสิ่งที่เรารักเราชอบใจนะนึกบ่อยๆตันหาก็จะค่อยๆพอกพูนไปเรื่อยๆๆๆถ้าหากว่าอยากให้ปฏิคานุสัยเกิดก็พยายามนึกถึงสิ่งที่เราไม่ค่อยชอบนะพอวิตกไปบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆโทสะค่อยๆประทุขึ้นประทุขึ้นประทุขึ้นจนถึงกับร้องไห้เลยก็มีเนี่ยนะจนถึงกับร้องไห้หรือถึงกับด่าออกมาเป็นต้นก็มีเพราะฉะนั้นตันหานี่มันเกิดบ่อยในอารมณ์อันเป็นที่รักที่ชอบใจทั้งหมดเหล่านี้เนี่ย มันรกชัดเกิดบ่อยที่ที่ท่านกล่าวว่าโดยเป็นไปในอารมณ์เบื้องสูงและ เ, เบื้องต่ําและเบื้องสูงเมื่อวานอธิบายว่าคือเบื้องต่ําก่อนนะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะและธรรมารมอันนี้เขาเรียกว่าจากต่ําไปสูงถ้าจากธรรมารมโผฏภารมราสารมคันธารมสัทธารมและก็รูปารมสลับกันมาอย่างนี้เขาเรียกว่าจากสูงมาต่ํา หรือจากกรมมาธาตุรูปธาตุอรูปธาตุนี่เรียกว่าจากต่ำไปสูงถ้าจากอารูปธาตุมารูปธาตุและกรมมาธาตุย่างไงเรียกว่าจากสูงมาต่ำแต่ทีนี้มันไม่ได้เรียงอย่างนี้ก็มีนะมันสลับกันก็มีนะ <c oughs> สีซ้ํซ้ซากๆแล้วก็สลับไปเสียงแล้วกลับสลับมาสีอีกก็มีใช่ไหมอย่างคุยด้วยเห็นหน้าด้วยนะทั้งได้โลภะ ท, ที่มีเสียงเป็นอารมณ์ด้วยมีสีเป็นอารมณ์ด้วยก็สลับกันไปแนะตัณหาเนี่ยมันมันรกชัดในลักษณะนี้แหละ น่ายกย่องเทวดาอย่างหนึ่งว่าเขาสามารถมองเห็นโลภะเจตสิกที่เกิดขึ้นว่าเป็นของรคของชัดนะนะว่าทําไมเขาเก่งขนาดนั้นนะไม่น่าเชื่อว่าว่าเพราะเราถ้าส่วนตัวแล้วเป็นน่าเป็นของน่ายินดีด้วยซ้ําไปเป็นของน่าเพลิดเพลิน ด, ด้วยซ้ําไปแต่เทวดาท่านมองว่านี่คือสิ่งที่รกชัดเนี่ยนะสิ่งใดก็ตามที่รกชัดนะถ้าถ้าใครรู้จักป่าที่รกชัดขอให้รู้เท่าว่าในนั้นมีสรรัตว์รายอยู่ด้วย อย่างเช่นกอไผ่ก่อะไรเป็นต้นเนี่ยที่มันรกชัดแสดงว่าตรงนั้นมีงูมีตะขาบมีหนูมีแมลงป่องมีสัตว์ร้ายอยู่หลายๆลชนิดอย่างน้อยก็หนามที่เกาะเกี่ยวเพราะฉะนั้นในเบื้องหลังของชาัดคือตัณหาที่มันรกในอารมณ์ต่างๆเหล่านี้มันมีโทษอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตัณหานั้นชื่อว่าชัดในภายในและชัดในภายนอกคําว่าชัดในภายในและชัดภายนอกนั้น เพราะเกิดขึ้นในบริขารของตนและบริขารของผู้อื่น น, นะอาศัยบริขารดีกาท่านบอกว่าบริขารของครือข่าแล่บริขารของบันประชิตว่างนบริขารของครือข่เช่นช้างเป็นต้นของเรานี่สบายเลยนะตันหาแบบนี้ไม่เกิดเลยทำไมอะ่ะบอกไม่มีช้างไงแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ติดอย่างอื่นนะอย่างอื่นนั่นแหละเหมือนกับช้างเป็นต้นนั่นแหละ ถ้าเป็นบนรรพชิตอะติดในบาดโอ้ยแต่งบาดดินั่นแนหะระบบบาดมันดำไม่ดีก็ต้องไปเอาให้มันดำให้มันได้ช่องนั่นแหละมาสลอกบาดเนี่ยถักแล้วถัก อ, กอีกดินั่นแหละจีวรเนี่ยก็ตัดเย็บเย็บแล้วเย็บอีกอะ่ะอย่าว่าสมัยนี้เลยสมัยพุทธกาลยังมีอะ่ะใช่ไหมสมัยพุทธกาลมีภิกษุรูปนึ่งท่านไปจาําพรรษานอกเมืองอะนะท่านเป็นคนเมืองสาวัตถีท่านก็ไปจพราษาอยู่นอกเมือง ในระหว่างที่จำพรรษาอยู่นอกเมืองเนี่ยพอออกพรรษาโยมเขาก็ถวายผ้าจำนะผ้าสำหรับพระที่จำำํานําพรรษาเนี่ยนะประมาณแปดเก้าซอกเนี่ยท่านก็ดีใจได้ผ้ามาเข้ามาในเมืองก็ไปฝากบ้านพี่สาวไว้พี่สาวก็เลยเห็นว่าเอ้ผ้าน้องผ้าน้องชายของเราเนี่ยเนื้อมันหยาบไหยก็เลยเอาไปสับไป บทให้มันละเอียดเนี่ยนะแล้วก็มากรอทาเป็นได้ไหมให้เป็นได้อย่างละเอียดแล้วก็มาทอทีนี้วันดีคืนดีน้องชายก็คิดเออเราก็ฝากผ้าไว้ที่บ้านพี่สาวไว้หลายวันแล้วก็จะไปตัดเย็บย้อมทําจีวรซะหน่อยก็เลยเตรียมจะชวนเพื่อนไปเพื่อที่จะตัดเย็บยอมจีวรพี่สาวก็เลยเอาผ้ามาให้บอกวอา้าวผ้านี้ผ้าไม่ใช่ผ้าของอาตามานเนี่ย่ขาบองั้นผ้าของท่านแหละโยมไปทําใหม่มา ง, งั้นอา่า โยมพี่นี่ก็รับเป็นเจ้าภาพในเรื่องทําอาหาระนะท่านก็ชวนพระพิสุลายรูปมาช่วยกันตัดเย็บยอมทําวันเดียวเสร็จเลยผ้าผืนนั้นงามมากทีนี้อาหารวันนั้นเนี่ยพี่สาวก็ทําอาหารอย่างฟระณีตนนถวายท่านก็ฉันทีนี้ใจก็ไม้มั่นว่าเช้านี้จะต้องห่มผ้านี้ไปบิณฑบาตอย่างเงีนะ้ยมาคนได้เห็นเรานุ่งห่มผ้านี้คงจะทักมั่งอะนะ กิดใยสมัยที่ผ้าเยอะๆแล้วก็ผ้ามันหายากอะนะคงจะเด่นเตะตาคนหน้าดูเลยเหมือนกันนะได้ผ้าใหม่เนื้อละเอียดย้อมอย่างดีเลยนึกก็ะยิมดีใจชาวจะต้องห่มไปบินทบาทแล้วก็ช่วงที่กำลังดีใจอยู่นั่นแหละมีจีวรเป็นอา ร, รมณะปัจจัยด้วยอำนาจโลภานั่นแหละมรณาสันนวิถีเกิดขึ้นจุติเลยเกิดที่ไหนดี ก็บอกว่าเกิดเป็นเลนอยู่ในจีวรผืนนั่นน่ะแหละนี่พระนะพอเกิดในในเลนในจีวรผืนนั้นก็ก็บอกว่าธรรมดามรดกของพระที่ตายเนี่ยนะก็จะเอามาแบ่งกันพระภิกษุก็จะเอามาแบ่งกั น, กกาากนขณะที่กำลังจะมาแบ่งกันพระองค์ก็บอกพระอนุนว่าอย่าพึ่งแบ่งนะอีกเจ็ดวันค่อยม า, ามาตัดมาแบ่งกันก็บอกว่าถามว่าทาไมอะ่ะนะวันหลังครบเจ็ดวันภิกษุก็มาแบ่งกัน ก็ถามพระผู้มีพระภาคว่าทําไมไม่ให้แบ่งในช่วงนั้นก็บอกว่าที่ไม่ให้แบ่งเนี่ยเพราะว่าเจ้าของจีวรยังอยู่ในนั้นเลยไปเกิดเป็นเลนอันถ้าหากว่าพระภิกษุกําลังจะแบ่งจีวรเลนนี่มีจิตคิดประทุษร้ายในผู้มีศีลจะไปต่ํากว่านั้นอีกเพราะงั้นด้วยพระมหากรุณาที่คุณก็เลยบอกอย่าพึ่งแบ่งนะแต่ว่าครบเจวันนี้เลนก็ตายแล้วก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ทีนี้พ อ, อพอแบ่งไปแล้วก็ นะก็ตามพระวินัยไปก็แจกจ่ายกันไปตามสมควรเลนก็คือสัตว์ตัวเล็กๆกันนะที่ไปเกิดในจีวรพวกไรจีวรนไรอะไรเป็นพวกตระกูลไรตระกูลอะไรนั่นแหละตัวเล็กๆซึ่งมีอายุประมาณ7วันก็ตายทําให้เห็นว่าบรรพชิตนี้ก็ยังยินดีในจีวรนนะนะพอถ้ายินดีในจีวรนก็ลืมปั จ, จเวรลืมพิจารณาปัจจัย่พระองค์บอกว่าผู้ที่ล่วงเลยปัญญาที่ชื่อว่าโทนา ก็สา ม, มารถไปนรกได้เหมือนกันนะก็คือสา ม, มารถไปอบายได้ยกตัวอย่างขนาดพิสูรรูปนี้ก็นับว่าเป็นคนมีศีลดีมีทํางานเกิดในสมัยนั้นแต่ด้วยอนุภาพที่จิตเศร้าหมองไม่ได้ปัจเจเวกปัจจัย4อันนั้นก็ไปอบายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็คิดดูนะถ้าหากว่าคารวาะก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะถ้าใครอ่านชาดกบ่อยๆก็จะเห็นว่าหนูบางตัวก็ไปเกิดเฝ้าขุมทรัพย์ที่ตัวเองได้ฝังไว้สมัยที่ชาติเป็นมนุษย์ งูบางตัวก็เป็นงูเฝ้าขุมทรัพย์เนี่ยจงอางเฝ้าทรัพย์เระหว่างกันเคยได้ยินน ะ, นะก็จะเป็นในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นอารมณ์ใดที่เราเกี่ยวข้องอารมณ์นั้นก็สามารถที่จะเป็นอารามณปัจจัยของปฏิสนธิต่อไปได้นี่นะสามารถที่จะนําเกิดได้ก็เหมือนกับคนที่เกี่ยวข้องกับลูกกับหลานก็มากมากก็ตายแล้วก็ไปเป็นสัตว์อยู่ในแถวแถวบ้านนั่นแหละอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละนะถ้าหากว่าจิต ผองใสแต่ว่าด้วยใจที่ผูกพันก็ไปเกิดเป็นผีบ้านผีเรือนหรือเปล่าเฝ้าอยู่แถวนั้นนะ่ะนะรอลูกหลานทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้นะ่ะเพราะฉะนั้นอนุภาพของโลภะเนี่ยซึ่งมีโทษมากมายในลักษณะนี้แต่ว่าปัญหาของเรากับในคำสอนเนี่ยจะมองแตกต่างกันได้ของเราจะมองโลภะแค่วันสองวันเนี่ยไม่มีผลอะไรมากนะแต่ว่าในลักษณะของคาสอนนั้นแสดงถึงโลภะที่เกิดขึ้นนั้นน่ะ มองเลยไปเป็นพบชาติเลยนะเพราะว่าของเรานี่ด้วยอานาจนิจจะวิปลาสเนี่ยนะความสำคัญเหมือนกับว่าเราจะอยู่อีกนานเลยไม่ได้คำหนึงถึงว่าชีวิตในภพหน้าจะเป็นไปในลักษณะใดมันเราก็ความยินดีที่เกิดขึ้นในแต่ละอารมณ์ต่างๆในสีในเสียงเป็นต้นเหมือนกับว่าเราจะได้เสวยความสุขในอารมณ์นั้นๆได้อีกยาวนานนั้นเราก็ไม่เห็นโทษในบริขารข้าวของเครื่องใช้เหล่านี้ มันก็อารมณ์เหล่านี้ก็ควรที่จะพิจารณาด้วยนะนะสงฆ์ข้อปริญญาสามลงไปในอารมณ์เหล่านั้นด้วยเถอะนะในจีวร น, นะในในข้าวของเครื่องใช้นะเสื้อผ้าอาภรณ์ที่อยู่ที่อาศัยเป็นต้นก็หมัน่นตัจเวกบ่อยๆนะเพราะว่าสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ของโลภะได้ทําไมจะเป็นอารมณ์ของหมากุศลไม่ได้ใช่ไหมในสิ่งเดียวกันนะถ้าเป็นอารมณ์ของอกุศลได้สิ่งนั้นเนี่ยนะถ้าบุคคลผู้ฉลาดมีโยนิสมนัสิการ ก็สามารถเป็นอารมณ์ของมหากุศลได้ถ้าอารมณ์ใดเป็นที่อาศัยให้ล่วงศีลได้อารมณ์นั้นก็เป็นอารมณะปัจจัยให้มีกุศลศีลได้